เรากินข้าวทุกวันใจเรามันก็ต้องกินอาหารใจทุกวันเหมือนกันอาหารของใจก็คือความสงบความสงบเป็นอาหารที่ดีแต่ถ้าเราไปกินความวุ่นวายกินอารมณ์วุ่นวายก็เป็น อาหารที่ไม่ดีของใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเลือกที่จะให้ใจกินอาหารดีๆ ด, ด้วยเหมือนเรากินของในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีทั้งของดีมีประโยชน์แล้วก็ของไม่ดีอะไรบ้างอะที่มันไม่ดีอะ น้ำหมัดลมเงี้ยก็ เ, เป็นอันหนึ่งแหละที่กินแล้วมันก็ไม่ค่อยดีน้ำตาลก็มากแต่เราก็กินข้าวกินผักกินน้ำเปล่าอย่างนี้มันก็เป็นส่วนสัดส่วนของกินที่มันดีอย่าไปกินขนม ที่มันมีน้ำตาลมากมากแป้งเยอะๆกินมากมากมันก็อร่อยลิ้นดีมันก็โดยรวมๆกินเยอะๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาเพิ่มสัดส่วนของอาหารดีๆให้กับใจอย่างตอนเย็นตอนก่อนเข้านอนเนี่ยเราก็มีเวลาเป็นของตัวเอง มีเวลาที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเป็นเวลาที่เรื่องวุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเราก็จะได้เติมอาหารให้กับใจได้อย่างเต็มที่เติมอาหารคือลมหายใจเติมอาหารคือพุทโธ การที่เราได้อยู่คนเดียวอย่างนี้เนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าอาังคณิกาคือการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขูดเกากิเลสอย่างยิ่ง เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสันเสริญนะ่ะสันเสริญมากเลยว่าเป็นธรรมที่เสพแล้วเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากมันจะดีแน่นอนละการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมู่มันก็ไม่มีเรื่องที่จะมาดึงใจเราออกไปข้างนอกไม่มีเรื่องที่จะเป็นอารมณ์ ที่เราจะมาเก็บกักไว้ที่มันตกค้างเก็บไว้ในใจเป็นอารมณ์ฝ่ายที่มันจะทำให้เรายึดมั่นถือมั่นเป็นอารมณ์ในฝ่ายที่ทำให้เรามีความกําหนัดยินดีหรือพัฒนาให้ใจของเราเนี่ยมีความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงมีความหลงเพลิดเพลินยินดีไปในกามทั้งหลาย มีความเพลินยินดีในกลางทั้งหลายพอเพลินยินดีไปเรื่อยๆบ่อยๆก็พัฒนาไปเป็นความมัวเมาความสุขในกลางทั้งหลายมันก็จะดึงดึงเราให้ออกจากทางของมรดึงเราให้ไปอยู่ในทางเส้นที่เรียกว่าการมัสุ ข, ขัลิกานุโย คือการประกอบตนให้มัวเมาความสุขในกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เรียกว่าอสังคณิกาก็ทำให้เราเนี่ยได้หลีกออกจากปัจจัยลบๆเหล่านั้นได้ดีพอเราได้หลีกออกจากหมู่คณะ เรื่องวุ่นวายภายนอกมันก็ได้สงบระงับลงไปมันก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ทำกายาวิเวกให้มันเกิดขึ้นได้และการที่เรามีใจจดจอ่ออยู่กับพุทโธหรือระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึง คุณงามความดีของพระพุทธเจ้าใจเราก็ได้หลีกออกจากกามก็เป็นหนึ่งในทางของมรรคนี่แหละที่ในส่วนของสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบคือความดําริที่ออกจากกามเนฆมะสังกัปปะเป็นความคิดที่ ทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อหลีกออกจากกามเห็นโทษของกามแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้หลีไกลาจากโลภโทสะโมหะราคาทำให้ใจของเราเนี่ยตั้งมั่นลงในอารมณ์ที่มันสงบลงมีความสงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลาย มาตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับพุทโธมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งในการที่ใจเราจะรึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพอใจเรามีความสงบตั้งมั่นลงไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ทำจิตตะวิเวกให้เกิดขึ้นได้คือใจ ที่มันวิเวกวิเวกออกมาจากความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายมาสงบประงับอยู่กับพุทโธมาสงบประงับอยู่กับลมหายใจมีสติคอยรู้เห็นอยู่ที่เฉพาะหน้าแกกายวิเวกจิตตวิเวกที่มันเกิดขึ้นได้ มันก็ทำให้เราสบายได้ได้ไดไดมากแล้วล่ะแต่ถ้าเราจะทำให้มันดีพัฒนาไปมันจนเป็นอุปัิวิเวคคือความสงบระ ง, งับจากกิเลส ท, ทั้งหลายได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ก็ได้พูดถึงการไม่คลุกคลีด้วยหมู่หรือที่ เรียกว่าอาสังกณิกาใช่มมันก็เป็นเบื้องต้นเป็นธรรมที่มีคุณมากเป็นธรรมที่มีอุปการะในการที่เราจะขูดกลาวกิเลสทำความสงบให้เกิดมีเกิดขึ้นในใจของเราแต่พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความคิดได้ว่า เอาฉันต้องทํางานฉันต้องทํามาหากินเพราะป่ผู้คนเอาล่ะฉันจะทํำยังไงล่ะอาสังคณิกามันเป็นคุณธรรมที่ดีแต่ฉันทําไม่ได้แล้วฉันต้องทํำยังไงทําทั้งหลายเนี่ยมันมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้านะเพราะฉะนั้น กายถ้ามันยังคลุกคลีด้วยหมู่แต่เราสามารถที่จะพยายามไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันไปคลุกคลีด้วยอันนี้เราพอที่จะทำได้แต่แน่นอนแหละมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้มีผลดีเท่ากับการที่เราหลีกออกจากหมู่จริงๆหลีกออกจากหมู่คณะอย่างจริงๆ มีเวลาว่างมีเวลาหลีกเร้นออกมาไม่คลุกคลีด้วยใครก็ตามได้อยู่คนเดียวได้ทำความสงบมีใจจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธอยู่กับลมหายใจมีสติที่แจ่มชัดถ้ามันอยู่ในคอลดิชั่นอย่างนั้นเนี่ยมันมันก็ได้ผลเร็วได้ผลดีใช่ไหม แต่ในเมื่อเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือให้ใจของเราเนี่ยมันไม่ไม่คลุกคลีด้วยหมุมอันนี้มันพอทำได้แต่มันไม่ง่ายนะมันพอทำได้คนที่ทำก็ขึ้นชื่อว่าคนที่จะหัดทวนกระแสวัตตะอันนี้อยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าคนยอมแพ้กับเงื่อนไขที่มันมีเนี่ยมันก็มันก็จะต้องโดนกระแสของกิเลสกระแสของวัตตะอันนี้มันพาไปแต่เราอยากจะเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสอยากที่จะรื้อถอนภพชาติอยากที่จะหลุดออกจากวัตตะวนอันนี้เราก็ต้องพยายามทวนกระแสมัน แล้วหลักใหญ่ใจความนี่มันไม่ได้ทวนที่ไหนมันไม่ได้ทวนที่มือไม่ได้ทวนที่เท้าแต่ทวนที่ใจนี่แหละเพราะฉะนั้นแค่ใจของเราเนี่ยคอยระลึกระลึกพุโทโธอยู่กับพุโทโธมีความตั้งใจจดจ่ออยู่กับพุโทโธให้ได้เรื่อยๆให้ได้บ่อยๆ อันนี้ก็จะขึ้นชื่อว่าเราได้เอาใจเนี่ยหลีกออกจากการคลุกคลีด้วยหมู่ทำงานเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ได้ระดับหนึ่งแ น, น่นอนแหละงานบางอย่างมันถึงจังหวะต้องคิดต้องพิจารณาอันนี้มันก็ไม่ได้แต่ถ้างานอันไหนที่มันไม่ต้องใช้การคิดพิจารณามากเราก็สามารถที่จะเอาใจมาอยู่กับพุโทโธ อย่างตอนที่เราคุยกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนฟังเขาคุยน้่นนี่นี่นั่นอยู่ในวงสังคมถ้าในขณะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดึงใจของเราเนี่ยมาตั้งมัน่นย้อนกลับมาที่พุทโธได้ถึงมันจะตั้งมั่นได้ไม่ดีแต่เรามีแก่ใจที่เราดึงมาแล้วก็วระลึก ระลึกพุโทโธให้ได้ระลึกพุโทโธให้มันเป็นพุโทโธในใจจริงๆเป็นอารมณ์พุโทโธในใจจริงๆให้มันได้ณตอนนั้นเราก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าอสังคณิกาคือการไม่คลุกคลีด้วยหมู่กายก็คลุกคลีไป แต่ใจเราไม่คลุกคลีด้วยมันก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ได้หลีกออกจากหมู่เราก็ได้ปฏิบัติธรรมะที่ชื่อว่าอสังคณิกาได้บ่อยๆได้เนืองเนืองถ้าเราพยายามทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ย แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นนั่นแหละว่าจิตใจของเราเนี่ยตอนที่อยู่ในวงสังคมแล้วก็ไหลไปตามเต็มร้อยเป็นยังไงอยู่ในวงสังคมแล้วไม่ไหลไปเต็มร้อยเป็นยังไงไหลไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้ไหลออกไป5้าสอร์ซ เป็นแบบนี้ไหลออกไป 30% เป็นแบบนี้หรือการที่ใจเราอยู่กับพุโทโธได้ชั่วขณะหนึ่งอย่างเต็มร้อยเป็นแบบนี้พอเราเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆมันก็จะเข้าใจจังหวะของใจว่า เวลาที่เราตั้งใจใส่ใจได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องใจมันอยู่กับพุทธโธเนี่ยอารมณ์ในใจมันเป็นอย่างนี้ถึงอาจจะไม่ได้อยู่นานทรงไว้ได้นานแต่เข้าใจว่านี่แหละขณะที่ใจเราอยู่กับพุทธโธใจเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจใจเรามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในใจ ไม่ได้มีอารมณ์ของกามมาแทรกอยู่ในใจของเราในขณะที่ใจของเราเนี่ยอยู่กับพุทธโธอยู่กับพระพุทธเจ้าได้ดีมันก็ทำให้วิชาคือความรู้ของเราเนี่ยมันมีกำลังความรู้ที่เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ อะไรที่มันเป็นไปเพื่อความหลงเป็นไปเพื่อความกำหนักยินดีเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะเห็นโทษของมันว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรส่งใจเข้าไปยึดส่งใจเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าการที่เราส่งใจออกไปไปยินดีไปเพลิดเพลินตามแบบเก่าๆแบบนั้นเนี่ย มันก็ยิ่งทาให้ใจของเราเนี่ยไอความไม่รู้ของใจของเราไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของเราเนี่ยมันมีอำนาจมันมีพลังเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามีใจตั้งมั่นอยู่กับพุทโธเราก็จะได้ลดทอนกำลังของความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง ที่ทำให้ใจของเราเห็นว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าอันนี้เป็นของสวยของงามเหล่านี้เนี่ยกลังของใจเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แ่ะเราอยากเข้าไปเดีย๋ยวเราอยากไปส่งใจเพลินไปกับมันเพราะว่าใจของเราเนี่ยเพลินไปกับรูปรสเปลี่ยนเสียงสัมผัส มันก็จะทําให้เราออกไปยึดไปติดใจที่เคยทําความสะอาดไว้ดีแล้วมันก็จะเศร้าหมองไปของที่เราพยายามบ่มพยายามทําให้มันดีพยายามขัดให้มันดีมันก็จะเศร้าหมองไปได้เพราะฉะนั้นในระหว่างวันเนี่ยก็จําเป็นมากๆเลย เราจะต้องพยายามให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับพุทธโธให้ได้บ่อยๆ อ, อยู่กับพุทธโธให้ได้เนืองเรื่องให้ใจของเราเนี่ยมีพุทธโธติดไว้กับใจของเรามีพุทธโธมีภาพของพระพุทธรูปติดเอาไว้ในใจของเรา เป็นเครื่องแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าติดเอาไว้กับใจของเราพอเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยใจเราก็จะมีกรอบมีเกราะป้องกันอารมณ์ที่มันจะท่วมทับใจของเราอารมณ์ภายนอกหรือตัวความไม่รู้ตัว ตัวโมหะความหลงเหล่านี้มันก็จะมีกำลังไม่มากวิชาคือความรู้ความรู้ที่เท่าทันกิเลสความรู้ที่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุสมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเที่ยงแท้ วิชาคือความรู้อันนี้ก็จะมีกำลังพอมันมีกำลังมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่โดนสมมุติครอบงำจิตใจของเราใจเราจะไม่โดนสมมุติครอบงำพอเราเห็นเราเห็นอย่างนี้คือสมมุติที่มันไม่ครอบใจของเราได้ เราก็จะเข้าใจแล้วว่าเวลาที่ใจของเราเนี่ยมันปราศจากสมมติมันดีขนาดไหนมันละเอียดพระนิคขนาดไหนแต่ในทานองกลับกันในขณะที่ใจของเราเนี่ยอ่อนกําลังลงมีวิชาที่อ่อนกําลังลงมีความสงบที่อ่อนกําลังลง อวิชชาคือความไม่รู้มันก็มีกําลังมากขึ้นมันก็ทำให้สมมติเนี่ยมันมาครอบใจของเราได้ได้ได้เหมือนเดิมแต่เราก็จะเห็นนั่นแหละนะว่าเวลาที่ลักษณะของใจที่มันปราศจากสมมติลักษณะของใจที่โดนสมมติครอบเอาไว้มันเป็นยังไง พะเราเห็นว่าความดีความงามของการที่ใจเราได้หลุดออกจากสมมุติมันดีมากเราก็จะได้มีแก่ใจที่เราจะรักษามันให้ดีพยายามทำให้มัน ช, นชนานิชำนาญพยายามทำให้มันเป็นสมบัติของเราได้อย่างมั่นคงการทำให้สมมุติมันหลุดออกไปจากใจ มันก็พอทำกันได้ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนึงๆมีกำลังสมาธิที่มันดีแต่การที่เราจะทำให้มันทรงเอาไว้ให้ใจของเราปราศจากสมมุติให้ได้อยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ต้อง หลายๆอย่างอ่ะพร้อมๆกันทั้งความขยันหมั่นเพียรความเพียรใช่ไหมกำลังสติที่เราจะมีคอยสังเกตเฝ้าดูทุกอย่างอ่ะกำลังของธรรมะทุกอย่างมันก็รวมลงมาอยู่ตรงจุดนี้แหละจุดของสติมีความเพียรจุดตรงนี้แหละที่มันจะทําให้ ใจของเราเนี่ยปราศจากสมมติได้แล้วก็ปราศจากสมมติได้อย่างชำนิชำนาญ